คุวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบค่ะราการสันสนีสนทนานะคะดิฉันสันสนีนาพงค่ะจะรายการเพื่อที่จะให้ท่านได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะในลักษณะของการสนทนากับพระมหาพบูลอภิปุนโนวัดป่าดอนหายโสอุดรธานีส่วนลักษณะของการแสดงธรรมโดยลําพังของพระอาจารย์นั้นก็ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธนะคะในรายการนี้ส่วนที่ดิฉันได้มาทํารายการก็จะรัฐนาให้ ท่านไพบูลในฐานะเป็นผู้อำนวยหลักสูตรการปฏิบัติเลษเร้นที่วัดป่าดอนหายโศกซึ่งถือว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมในสังกัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการปฏิบัติอย่างเป็นทางการในทุกๆเดือนนะคะก็เรียกว่าเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานมาฝึกปฏิบัติให้กับท่านในรายการนี้ เพื่อที่จะให้ท่านได้ฟังรายการกันอย่า ง, างมีสมาธิไปตั้งแต่ต้นพร้อมหรื อ, อยังคะถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมปฏิบัติที่ฉันจะพาไปพบกับพระอาจารย์เลยนะคะนวส ก, การกับท่านพระบุญ ค, ค่ะเสื่อมปอนค่ะสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําในรันชราเอ่อเป็นที่ต้นไทรนั่งอยู่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะก็ได้ระลึกถึงว่าเอ๊ะธรรมะมวลไหนนอที่จะทําให้เราสัตว์ที่อยู่ในยุคนี้ จะพ้นจากความทุกข์ได้เริ่มจากอันแรกเลยธรรมะหมวดแรกที่พระพุทธเจ้าได้คิดถึงเพื่อที่จะให้สัตว์นั้นพ้นทุกข์ได้ก็คือสติปัฏฐานทั้ง4คําว่าสติแปลว่าการระลึกได้ปัฏฐานนี่คือหมายถึงฐานที่ตั้งคือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงฐานที่ท่านแห่งการระลึกถึงเนี่ยหมายถึ ง, งการที่จะให้ไม่ให้จิตของเราเนี่ยมันไหลไปตามสิ่งที่เป็นอกุศล อย่าง ก, การที่เป็นฐานที่ตั้งให้ใจของเรามาอยู่ตรงนี้ให้ใจของเราแทนที่จะไหลไปตามสิ่งต่างๆแต่ให้มาอยู่ที่ตำแหน่งที่เราจะสามารถที่จะตั้งจิตไว้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสของโลกได้ในวิธีการปฏิบัติในเรื่องของสติปัฏฐานเคยให้ไว้พูดถึงว่าการที่จะทําสติปัฏฐานทั้ง4ี่ให้เกิดขึ้นได้เราใช้ทำหมวดหนึ่งอันเดียวเลยเป็นธรรมบัญญนั่นก็คือลมหายใจคืออาณาปานสติ อาณาปณสติที่เจริญกระตามไม่มากแล้วจะดำสติีปฐานทั้งสี่ให้เกิดขึ้นได้ลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี้ป ร, รับปริจญาให้เริ่มต้นตั้งแต่การที่ตั้งกายให้ตรงอาจจะอยู่ในท่าใดก็ได้ถ้าเราสามารถนั่งใดก็นั่งท่านั่งไม่ถึงนั่งพื้นหรือนั่งเก้าอี้หรือว่าเดินทางอยู่หรือบางคนอาจจะนอนอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออก ก็ให้ดํารงสติเอาไว้เฉพาะหน้าคำว่าเฉพาะหน้านี้หมายถึงทางเข้าทางออกของลหมหายใจซึ่งก็คืออยู่ในโพรงจมูกของเราเนี่แหละเราตั้งสติดํารงสติไว้เฉพาะหน้านี้เฉพาะเจาะจงลงไปก็คือให้เรามาระลึกถึงลหมหายใจให้เอาใจของเรามาใส่ไว้จ่อไว้อยู่กับลมหายใจแต่ลหมหายใจของเรานี่มันไหลเข้าไหลออกและมันก็ไม่ใช่อยู่จุดเดียวด้วยมันผ่านเข้าไปใน พอในปอดกระบังลมแล้วก็ไปตามเส้นเลือดต่างๆเอาลมตรงไหนกันแน่แก็คือเอาลมตรงจุดตำแหน่งที่เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจเหมือนกับเวลาที่นายทวานพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเขาเฝ้าอยู่ที่ประตูประตูของทางเข้าทางออกของสถานที่ต่างๆก็เหมือนกับการที่เราเอาจิตของเรามาไว้อยู่บริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจมาตั้งไว้ที่ตรงนี้พระพุทธเจ้ายังเปรียบเทียบเหมือนกับ เวลาที่ช่างกลึงเขากลึงชิ้นงานเวลาที่เขากลึงชิ้นงานตาของเขาก็จะมาคอยจดจ่อดจดจ้องอยู่ระหว่างที่จุดสัมผัสระหว่างเจ้าใบมีดกับตัวชิ้นงานมันสัมผัสกันตรงไหนเขาก็จะมองตรงนั้นส่วนใหญ่จะใจเขาจะไปใส่ที่ตรงนี้แล้วก็เวลาที่จะปรับคันชักอะไรต่างๆกดปุ่มเครื่องมือคนที่ทํำจานานแล้วก็จะไม่ต้องไปมองตรงนั้นเลยอาจจะมองแค่ครั้งเดียวแล้วก็กลับมาทําได้อย่างเป็นปกติ หรือแม้แต่ยามส่วนใหญ่ของเขาในเวลา 99% เลยก็จะอยู่บริเวณทางเข้าทางออกอาจจะไปห้องน้ําบ้างตรงนั้นตรงนี้บ้างเดินตรวจตาแต่ก็จะอยู่บริเวณนั้นเช่นเดียวกันจิตของเราอาจจะเผลอไปคิดว่านั้นเรื่องนี้แต่ไม่เป็นไรให้กลับมาอยู่ที่บริเวณนี้อาจจะไปมีความคิดอย่างโน้อนอย่างนั้นแต่ก็ให้กลับมาอยู่ที่อารมณ์หมายใจของเราแตเป็นลักษณะของเหมือนบ้านนั่นเองพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ว่า อาณาปานสติเนี่ยเป็นวิหารธรรมของจิตวิหารธรรมก็คือเครื่องอยู่เหมือนกับเวลาที่เราไปทํางานต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างไปเช้าเย็นกลับหรือ 3-4 วันกลับมากลับมาบ้านก็สบายใจเหมือนกันจิตของเราบางทีมันไปเที่ยวคิดนั่นคิดนูนคิดนี่เอาเราเห็นเขาไม่อยู่บ้านเราก็เรียกเขากลับมาอยู่ที่บ้านการเรียกกลับมาตรงอยู่ที่บ้านได้เนี่ยอันนี้คือมีสติละสติตั้งกันละ สติที่ตั้งขึ้นเราเระลึกถึงไว้อยู่อย่างนี้จะสามารถที่จะเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมได้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าสติสัมโพชฌงค์คือองค์ธรรมที่จะพาจิตเราเนี่ยให้ไปสู่การบรรลุนิพพานได้เพราะว่าจิตเนี่ยมันเล่นไปสู่สติสติจะพาจิตเนี่ยไปสู่วิมุตติคือความพ้นพ้นจากกระแสะของโลกกระแสะของตัณหาพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมันพ้นไปเรื่อยๆ จ, จนพ้นหมด วิมุตต์คือความพ้นตรงนี้ก็จะพาไปสู่นิพพานจะพาทั้งสติและจิตเนี่ยไปสู่นิพพานได้เราก็จะมีความเข้าใจในเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อย่างแจ่มชัดมากขึ้นอันนี้คือวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้นเช่นกันค่ะสาธุค่ะนะคะก็เอาไปฝึกฝนกันต่อไปวันนี้ฝึกไปเพิ่มพร้อ ม, มกับพระอาจารย์ในรายการสรัมสุนีสนทนาแล้วก็ท่านก็สา ม, มารถที่จะ ตั้งสติฟังรายการธรรมะนี้กันไปจนจบเลยก็ได้นะคะใช่เมื่อวานนี้ที่ฉันได้พูดถึงประสบการณ์การไปเข้าคอร์สหรีเบรน์เมื่อช่วงวันแม่ที่ผ่านมามที่วัดปด่าทองไฮโซดอนธานีก็อยากคุยต่อเหมือนกันนะคะ เ, เห็นมีคนลาวมาพอสมควรทีเดียวใช่จากาสาวปปลาวเขามาทางหนองคายมาจากเวียงจันท์มาจากเวียงจันทร์น่หะคะใช่เขารู้จักวัดจาก ช่องทางไหนกันงะเอ่อเขามาคือเขาได้คงได้ฟังว<อ>ิทยุคุณยมถืวิทยุทางสถานีวิยยงง ท, ยทยุกระจยเสียงของประเทศไทยค่ะแล้วก็ตามมาที่วัดค่ะแล้วก็ได้พบว่าเมีการปฏิบัติเราก็มาลองปฏิบัติกันดูรอบหนึ่งดีก็เลยชวนหมู่ชันน้นคณะมาอาตมาก็ได้เคยมีโอกาสไปเทศสอนที่นูน่นอยู่สักสามสี่วันค่ะอืมแล้วก็เลยคุ้นเคยกัน เอาปีปหนึ่งก็จะมากันสักสองครั้งอะไรประมาณนี้อ๋อครับท่านคะสังเกตเลยนะคะลักษณะของพุทธศาสนาชนชาวลาวเนี่ยออืเขาจะค่อนข้างตั้งอกตั้งใจมากแล้วก็เหมือนกับว่ามีรูปแบบที่แบบต้องแต่งตัวเรียบร้อยแม้กระทั่งผู้ชายนะคะอต้องมีผ้า้าวมาทำสบายใช่ค่ะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของเขานะหมายถึว่าซึ่งเป็นเรื่องดงามเละค่ะคือดูแลเหมือนกับว่าอ๋อเนี่ยเขาจะมารักษาศีล ตั้งใจกันมาเต็มที่เตรีย ม, มมาพร้อมทั้งรูปแบบภายนอกแล้วก็เห็นพยายามปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจั ง, จ ร, งรวมไปถึงสุดท้ายที่ช่วงของการทำผ้าป่าด้วยจริงๆคนอีสานเองอ ท, <ะ> ท, ที่อยู่ในพื้นเพเป็นคนพื้นบ้านเนี่ยก็มีวัฒนธรรมอย่างนี้อยู่แล้ว<ะ>แต่จะต้องมีผ้าสบายจะต้องชุดขาวจะต้องมีคำพูดมีดอกไม้อะไรเขาจะแต่งของเขามา อันนี้คือที่อกมาตั้งแต่มาอยู่ไว้ป่าดอยโซ่เนี่ยก็จะเห็นชาวบ้านเนี่ยเขาทำอย่างนี้อยู่แล้วนะทีนี้อย่างของพี่น้องชาวลาวเนี่ยก็จะจะคล้ายๆกันแต่จะมีตรงนั้นเพิ่มนิดตรงนี้เพิ่มหน่อยอย่างเงี้ยก็จะคล้ายๆกันค่ ะ, ะในเรื่องของการฝึกปฏิบัติเท่าทีท่ดิฉันได้เห็นเนี่ยเมื่อถึงช่วงเวลาของการให้พักซึ่งจะมีเป็นระยะระยะ ใช่ไหมคะคือถ้าพักข้าห้องน้ำเป็เรื่องปกติแต่ว่าถ้าการปฏิบัติไม่ได้อยู่ในศาลาของการปฏิบัติแต่ให้ปฏิบัติการที่ที่พักหรือว่าเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเดินจงกรมอมจะมีส่วนหนึ่งที่ไปกวาดลานวัดเ น, น, นี่ยค่ะอันเนี้ยถือวาอ่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติด้วยไหมคะใช่ใช่อันนี้เป็นการทําข้อวัดวัดนี่คือวัตระนะวัาร่ะวัตระคือเป็นข้อปฏิบัติที่ควรทํา เพราะว่าการการที่เรามานั่งสมาธิหรือว่าท mm ําใจให้เป็นสมาธิเนี่ยมันไม่ควรจะต้องจํากัดอยู่เฉพาะอิริยาบถนั่งหรืออิริยาบถที่เดินกลับไปกลับมาเพราะว่าเราเราไม่สามารถที่จะเวลาเจอผัดสายอย่างเงี้ยนะคุณโยมติเราอยู่ทําการงานที่บ้านเนี่ยหรือว่าที่ทํางานเนี่ยคนเขาจะด่าเราลูกค้าว่าเจ้านายพูดอย่างงั้นเพื่อทำงานเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไม่สามารถบอกเขอ้คุณหยุหยุดหยุดหอย่าเพิ่งว่าขอจะนั่งสมาธิสักห้านาทีก่อนมันมันทำอย่างนั้นไม่ได้ เราจึงต้องเตรียมพร้อมจิตของเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเปรีย บ, บเทียบกับหัวเมืองชายแดนเนี่ยต้องมีการป้องกันเมืองไว้ก่อนที่ฆาศึกจะมาเช่นเดียวกันรเราจึงต้องฝึกจิตเนี่ยให้สามารถที่จะดารงจิตให้เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์ันเดียวอยู่ในทุกๆอิริยบททุกๆ ก, ก, ก, ก, ก, การกระทำรรพระพุทธเจ้าจึงใช้คาว่าให้มีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะักสัมปชัญญะนี่ก็คือหมายถึงในอิริยาบถต่างๆกินดื่มพูดคิด ใส่เสื้อผ้าไปห้องน้ํายืนเดินนั่งนอนเนี่ยต้องฝึกให้มีสัมปัชชัญญะตัวนี้ ค, คือรู้ตัวรับครอบในกายบุตรต่างๆนั่นเองคือฟังผู้ทวชนะจากที่ท่านอ่านก็เห็นว่ามีพูดถึงแม้กระทั่งการถ่ายอุจจาระปัดสาวะที่กันได้ยินทำพวกนี้เลยนะคะใช่ใชว่าต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาก็เท่ากับว่าถ้าในช่วงฝึกปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรไม่เพียงแต่ตอนที่เรานั่งคาสมาธิอยู่ในสาราปฏิบัติธรรมเท่านั้นอื แต่ทุกอิทิยาบทเล ย, เลยใช่ไหมคะจะกินนอนนั่งถูกต้องอาบน้ำใช่ใช่คือคือถ้าเราคิดว่าเราจะมาทำเฉพาะเวลาที่เรานั่งอยู่ในศาลาเนี่ยั น, นี้ขาดทุนกำไรค่ะเพราะว่าสิ่งวัล้อมันเอื้ออยู่ตลอดเวลาหรือบางคนพอตีระคางเ ง, ง่งเลิกลืมตาโผงแล้วก็แบบมั บ, ม บ, มบออกไปนี่จิตแบบแตกแล้วมันไม่ใช่มันต้องรักษาให้มันตลอดอย่างเงี้ยนะค่ะจะดีมากคือก็จะเห็นว่ามี มีสองประเภทนะคะประเภทหนึ่งก็โห่สมรวมตลอดเวลาเลยแล้วบางคนเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยเดินช้าชาบางคนก็เดินปกติ อ, อ่าบางคนก็เดินต้องเขาเรียกอะไรคะเอามือมีลานี้เนี่ยจึงอยากทราบว่าจริงๆแล้วเดินแบบไหนดีที่สุดคะเดินจงกรมที่เป็นการเดินจงกรมโดยแท้เน่ยค่ะเออคือการเดินธรรมดานี่แหละคาว่าจังกรมานี่หมายถึงเดินอยู่แล้วค่ะ อันี้ถ้าเราบอกว่าเดินกลับไปกลับมาอา้าวมันก็ต้องมีจุดเริ่มจุดจบซึ่งในในภายหลังก็จะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านจะกาหนดว่ า, าต้องเดินด้วยเท่านี้9ต้องอยู่ในท่านี้อันนี้ก็คือท่านทําแล้วมันสบายใจของท่านค่แะแต่ซึ่งเราก็ดูว่าเราเหมาะสมตรงไหนอย่างบางทีจะมาถ้าเดินช้าเกินไปจิตมันก็จะไม่เป็นสมาธิถ้ า, าเดินเร็วเกินไปมันก็จะเมื่อยเราก็าจะหาจุดที่มันพอเหมาะสมอันนี้ต้องคงต้องทดลองทดสอบกันเอา ซึ่งจากประสบการณ์ฉันนะคะนั้นชอบมากคล้ายๆอาจจะเป็นกรุงเทพไม่มีเน่ะ <c oughs> เราไปเจอต้นไม้ที่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็มีเหมือนทางเดินธรรมชาติเป็นดินเลยนะใช่ค่ะ <c oughs> ก็จะอาศัยโหที่เหยียบดินดีใจมากถอดรองเท้า <c oughs> แต่ก็มดมดเยอะเหมือนกันนะคะ <c oughs> ทีนี้มดเยอะหรือตัวแมลงเยอะเนี่ยฉันสงสัยอยู่อย่างว่าบางทีเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็ สำหรับดิฉัเลือกที่จะใช้การเดินรู้ลมหายใจคือทําอานาปานสติเพราะถือว่าเมื่อเราเข้าห้องปฏิบัติแล้วก็อานาปาใช่ไหมคะก็จะได้เป็นการต่อเนื่องอ่าบางคนก็จะใช้วิธีการรู้รู้ที่ขาอันนั้นก็ได้นะค ะ, คะก็ได้คือรู้ตัวรับข้อในการเดินไปค่ะนน ท, ท, ทีนี้ดิฉันก็เลยกลัวว่าเอระหว่างเราเดินเเราไม่ได้ดูเต็มที่นะคะเกิดไปเหยียบเหยียบมดเข้าไปเนี้ย ก็คงจะมีบ้า ง, ต, งต้องเดินยังไงท่านต้องโหตานี่สอดสายมดอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะวันนี้ไปเข้าใครเอ่อพวกเดรธีพวกหนึ่งนะนิโครนพวกหนึ่งที่เขาเดินไปเนี่ยเขาจะต้องมีไม้กวาดอันหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะคอยปัดเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวจะไปเหยียบตัวอะไรที่มันมีสักไม่เท่าเราคือตัวเราใหญ่กว่าเรามีพลังอำนาจมากกว่าเนี่ยไปทําร้ายมันเนี่ยมันไม่ดีฉันก็เลยเอาไม้กวาดมากวาดข้างหน้าเพื่อที่จะไม่ให้ทําร้ายใครถ้ามีหนองน้ําหรือแองน้ํา ก็เดินเลี่ยงเอากลัวว่าตัวอะไรที่มันอยู่ในน้ํามันจะถูเราทำร้ายมันมันจะทําให้การปฏิบัติเนี่ยเป็นการทําที่ยากได้ยากมากไม่งั้นแบบเวลาเราเกาแขนเราอย่างเงี้ยมันก็มีตัวอะไรที่มันอาศัยผิวหนังเราอยู่ใช่ไหมเราเกาปุ๊บ ม, มันก็ตายนะหรือเราหายใจอากาศเข้าไปในร่างกายของเราอย่างเงี้ยมันก็มีพวกแบคทีเรียจูเินซีอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในร่างกายเราพวกเมเลือดขาวก็จัดการนะเอามันก็ตายแล้วเนี่ยโหจะทําให้การปฏิบัติเราเราเป็นไปได้ยากมาก พระพุทเจ้าจึงบัญญัติเรื่องของศีลไงคุณหยมเดี้ยวแล้พูดถึงเรื่องของเจตนาไง<อ>ว่าคือเจตนาว่าถามเปล่าถ้าไม่ได้เจตนาโอเคมันมันไม่ได้มีความผิดตรงนี้นะอันนี้ที่1นสองในเจตนาที่1 น, นะสองก็เอาสัตว์ที่มีปรานโอเคมดปลวกพวกนี้มีปรานอยู่ปรานนี่หมายถึงว่าลมหายใจปราณนี่หมายถึงลมหายใจแต่เรารรจะพูดถึงสัตว์ที่ไม่มีปรานเช่นพวกจุลินทรีย์พวกแบคที ria บางชนิด พวกนี้จะไม่มีปรานคือเขาไม่ได้หายใจแบบที่มนุษย์มีปอดหายใจอย่างงี้นะหรือปลาเนี่ยเป็นปอดเปียกแบบแอมฟิเบียนลังเนี่ยมันจะมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอถ้าไม่ได้มีปรานล้วไม่ได้เจตนาอันนี้มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะทีนี้ในการเดินเนี่ยเดิฉันก็รู้สึกว่าการเดินจงกรมโดยมีสมาธิโดยมีสติอยู่ที่ลม จะว่าไปมันก็เหมือนกับฝืนเหมือนกันเพราะว่าโดยธรรมชาติสิ่งที่เรารู้ชัดมากกว่าก็น่าจะเป็นการก้าวขาเพราะว่าเป็นอิยาบทของการเดินใช่ไหมคะเดินนี่หมายถึงว่าการใช้ขาก้าวไปถูกไหมคะใช่ใชทีนี้ก็ได้พบกับตัวเองว่าแต่ถ้าเราพยายามที่จะมีสติกับลมจริงๆเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่เกิดสมาธิขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยจังหวะของการก้าวเนะะี่ยค่ะ เราจะหาความพอดีของการก้าวที่มันจะแตกต่างจากตอนที่เราเริ่มเดินใหม่ๆแล้วก็จอกี่ได้มาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมดิฉันได้พบนะคะได้พบคือพบว่าพอสุดท้ายแล้วมันจะหาความพอดีเจอเองว่าเดินอย่างเงี้ยเราจะรู้รู้ลมชัดอืมอันนี้คือความชํานาญที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราไปฝึกทำอยู่บ่อยๆค่ะเอ่อแล้วดิฉังคิดว่าเป็นการเดินจงกลม โดยอนาปานสติที่ตลอดเวลาที่เดินผ่านมาดิฉันรู้ชัดมากในคราวที่ไปเดินครั้งเนี้ค่ะและที่เดินตรงนั้นนะคุณยมเตียวได้มาจะบอกให้ว่าเป็นที่เดินที่เป็นทริปเหมือนเป็นทริปของเราเลยอะถือว่ามันจะสบายใจมากเลยตรงนั้นนะที่เดินตรงนั้นนะใช่ค่ะออืก็พยายามทําตามที่เป็นคําสอนของพระพุทธอง์หรือเปล่าครัว่าให้เดินสลับนั่งอได้ใช่ใช่การเดินก็เป็นการเปลี่ยนบทที่ที่ไปทําได้ดีอยู่ นะคะเพราะเพราะฉันว่าจากการที่เรานั่งมาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยได้มาขยับกายด้วยการเดินอันนี้มันสมดุลมากที่สุดเลยที่จะกลับไปนั่งใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยไม่รู้สึกลำบากในร่างกายมากเกินไปทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆการการที่เกี่ยวกับข้องกับอรัยบทเนี่ยมันก็จะค่อยลดน้อยลงจะเดินจะนั่งไม่มีปัญหาจะนั่งต่อไปโดยไม่เดินก็ไม่มีปัญหา ค่ะมันก็จะค่อยๆไปอย่างพระพุทธเจ้าบางทีก็นั่งทั้งคืนนะไม่ได้เดินเลยค่ะอย่างนี้บางทีก็มีดิฉันก็เห็นนะคะผู้ปฏิบัติเพราะว่าเราไปคอร์สผู้เก่าใช่ไหมคะคือผู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วเนี่ยก็เห็นบางท่านเน้นั่งได้นานๆคนอื่นก็ออกไปพักก็ไม่พักกลับมาก็ยังนั่งอยู่เนี่ยก็เห็นหรือว่ามีพระสง์บางรูปนะคะที่ท่านนั่งอยู่ด้วยเนี่ยท่านก็นั่งนะนๆนั่งหลายชั่วโมงมากเลคะอืมนี่ก็กลายเป็นมาตรฐานที่ท่านทําได้ไปแล้วเงีชั่วโมงนี่ธรรมดา อย่างเงี้ยก็เซตตัวเองว่าสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรไปงเง้ยเราแล้วแต่แต่ความน่าสนใจนี่จะอยู่สำหรับตัวท่านก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่ยังศึกษาอยู่ทีนี้จะถามท่านว่าบางครั้งในการนั่งเนี่ยค่ะเรื่องรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวรู้สึกหนาวมนไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่จะรู้สึกร้อนเนี่ยมันรู้สึกมีความร้อนเกิดขึ้นในร่างกายซึ่งบางคนเขาบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับอร่างกาย ทางจีวภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่ที่รู้สึกกับอุณหภูมิแต่เป็นเหมือนกับสภาวะธรรมจริงหรือไม่คะเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะมันเป็นการปรุงแต่งทางกายอเป็นการปรุงแต่งทางกายที่อาจจะเกิดมาจากการที่จิตมีการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะไหนลักษณะไหนค่ะที่นี้มันเกี่ยวข้องกันอยู่ถ้าเกิดอาการอย่างนั้นสมมุติว่าเรากําลังห่มผ้าอยู่เนี่ยนะคะตอนแรกนาหนาวก็คลุมผ้าไปแต่ว่าลักษณะความร้อนที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ร้อนแบบร้อนอากาศแต่เป็นร้อนอย่างนั้นเนี่ย เราควรจะทําอย่างไรต่อไปอยู่ในสมาธิต่อไปหรือเอาผ้าออกเลยที่ห่มไว้เออก็อยู่ที่ว่าอันดับแรกก่อนอันดับแรกก่อนอันดับแรคือเราต้องตั้งสติไว้ก่อนเราตั้งสติเพรว่าพระพุทธาอธิบายตรงนี้ว่าถ้ามีการปรุงแต่งทางกายเกิดขึ้นให้มีสตินะหายใจเข้าหายใจออกนะให้เป็นผู้ที่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งทางกายมีสติหายใจเข้าให้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งเป็นผู้มีการปรุงแต่งทางกายมีสติหายใจออกต้องมีสติละ ขั้นตอนที่2องถัดไปก็คือทําการปรุงแต่งทางกายนั้นเนี่ยให้ระ ง, งับทําการปรุงแต่งทางกายให้ระ ง, งับแต่เปงนไงมันถึงจะระ ง, งับไปเพราะว่าไอการปรุงแต่งทางกายเนี่ยมันต้องเป็นอของที่อาศัยเหตุเกิดขึ้นอยู่แล้วคือมันมันเกิดขึ้นโดยตัวมันเองโดโดเดียวๆไม่มีแต่มันต้องมีเหตุเกิดขึ้นถ้าเหตุ ข, ของมันยังคงอยู่มันก็อาจจะยังอยู่เช่นบางทีร่างกายเราเป็นทางชีวเคมีเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเหตุของมันดับไปมันก็ดับไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูรู้ก็คือให้มีสติอยู่ตลอดอย่าไปตามสิ่งนี้เนี่ยอย่าไปตามทีนี้มันเกิดขึ้นมันต้องดับได้ค่ะเนี่ยค่ะทีนี้พอท่านพูดถึงเกิดดับปุ๊บเนี่ยฉนั้นก็นึกถึงว่าในการไค้ครวนธรรมเนี่ยเท่าที่ได้ทราบก็คือให้เข้าใจแบบที่พระพุทธเจ้าท่านพยายามตรัสสอนให้เราเข้าใจว่าอ่ามีเกิดและมีดับถูกไหมคะใช่ในการพิจารณานเนี่ยเราจะต้องดูอย่างนั้นไหมคะว่ามันมันอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นมา เดี๋ยวมันก็ต้องดับไปอะไรเงี้ยค่ะอืมใช่ใชดด่ดูดูอย่างนี้แหละถูกต้องอันนี้คือเป็นผู้ที่อ่าพิจารณาเหนความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจําหายใจเข้าหายใจออกเท่ากับว่าเมื่อเราปฏิบัติแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ากับอยู่ประโยคหนึ่งที่ดีฉันได้ยินบ่อยๆคือการเห็นตามที่เป็นจริง<ช>ก็คือให้ให้เรามองเข้าไปในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเรารู้สึกอึดอัดอย่างนั้นหรือเปล่าคะความจริงก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เห็นตามที่เป็นจริง ในสิ่งนั้นได้นะคะเห็นเป็นจริงแล้วก็พยายามพิจารณาไปในทางธรรมะใช่ไหมคะมีสติอยในธรรมอะไรคะพิจารณาในลักษณะที่ว่าเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไปของมันเห็นความเป็นอนัตตาค่ะซึ่งดิฉันคิดว่าที่ถามเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ็ดิฉันพูดในลืมท่านผู้ฟังไปเลยเหมือนกับคุยเรื่องประสบการณ์ตัวเองแต่ฉันกําลังยกตัวอย่างเพื่อที่จะ ให้ท่านทั้งหลายที่ไปปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าก็คุยกับบางท่านก็บอกว่าเจอให้คล้ายกันอย่างเงี้ยนะคะและบางทีบางคนก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไใดตัวเองก็ไม่เคยเมื่อก่อนก็ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรเหมือนกันงงๆค่ะก็คือว่าในที่นี้ก็สรุปว่าเราต้องตั้งสติไว้อย่างเดียวไม่หลงลืมสติแล้วมันจะมาเป็นยังไงอย่าให้มีความขัดเคลื่องอย่าเอาจิตไปเกลือกลัวในอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันจะเกิดตามมามันเกิดมาเมื่ก่อเกิดไปเป็นตามนี้มันก็จะค่อยๆไปได้ เท่ากับว่าในทุกสถานการณ์เลยในระหว่างการเจริญสติถูกไหมคะช่เกิดอะไรขึ้นให้มีสติคําถามที่ต้องถามตรงนี้เลยแม้แต่พูดว่าทุกๆสถานการณ์เนี่ยชุดคําถามนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีเราดูก่อนว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงค่ะเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดถูกไหมเพราะเราจะสามารถตอบได้เลย ว, ว่ามันไม่เที่ยงแต่สิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าพระปริชาถามค่ะเอามันก็ต้องเป็นทุกข์นะสิ่งไหนไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแรปรปรวนเป็นธรรมดาเนี่ยควรแล้วหรือหนอที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นตัวเรานั่นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราความร้อนที่เกิดขึ้นในกายของเราเนี่ยเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นนะค่ะอ่าตัวนี้คือความเห็นที่ถูกต้องละค่ะอันนี้เป็นพุทธพจน์เลยก็อยากจะให้ท่านได้ทบท อีกครั้งเด้วยนะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยก็จะได้ทราบว่าเมื่อมีสภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นขอให้พิจารณาอย่างนี้เลยใช่ไม่ว่าจะเป็นการคันจะเป็นความร้อนจะเป็นความเย็นเหมือนตกเหวลอยขึ้นเหมือนมีมดกัดหรือปวดตรงไหนอะไรเงี้ยงแล้วแต่แตะนะจะเป็นการปรุงแต่งทางกายหรือทางจิตแบบไหนก็ตามถามตัวเองก่อนเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งที่เราจะได้คำตอบคือมันไม่เที่ยงเพราะมันมันเกิดเฉพาะเวลานั่งสมาธินี่ เวลาที holy, ่กินข้าวมไม่ได้เป็นนะมันไม่เที่ยงใช่ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าพระพุทธเจ้าถามซีรีสนี้นะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงคือสัญญานั้นสังการนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา นั่นเป็นเราควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นตัวตนของเราคำตอบในคำถามนี้ก็คือไม่ควรเอาท่องไว้เลยนะท่องไว้เลยแล้วเจออะไรก็อัดมันนี้มันเข้าไปมีความแปรกวนเป็นธรรมดาควรแล้วห ร, หรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเราถ้าจะยืดตรงนี้ออกไปก็คือว่าควรแล้วหรือหนอที่จะเห็นว่าสิ่งนี้มีอยู่ในเราเรามีอยู่ในสิ่งนี้ ส, สิ่งน right, ี้เป yes. <K ha. S 2> ็นเราเราเป็น <werd> ส <rebbe> <men> ิ่งนี้ไม่ควนไม่ควรจะเห็นว่าไอ้ความปวดความอะไรที่มันอยู่ในมันเป็นอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ควรเห็นอย่างนั้นนะค่ะทีนี้ถ้าจะต่อไปขยายให้มันจบเลยนะคือสิ่งใดที่เราไม่ควรเห็นว่ามันเป็นตัวเราของเราเนี่ยเราควรจะทํำยังไงกับมันค่ะควรจะทำยังไงมันคุณย์โยมติว่าควรจะทำยังไงเออจะมาตอบให้ก็ได้นะค่ะสิ่งใดที่เราไม่ควรเห็นว่ามันเป็นตัวเราของเราเนี่ยเราควรจะละมันเสียอืม แล้วแต่ว่าเราจะละมันได้ไ ง, งเราจะละมันได้ไงเราจะละมันได้เราต้องตั้งสติอาไว้อย่าไปตามมันเราถึงจะละมันได้เพราะว่าเวลาที่เราตั้งสติเอาไว้เนี่ยเราจะเห็นตามที่เป็นจริงใช่ไหมพอจิตเรามีกําลังมีสมราิวิปัสนาสมาธิ์ด้วยกันแล้วเนี่ยเราจะละมันได้ค่ะคือมีสติตั้งเอาไว้นั่นเองค่ะการตั้งสติในที่นี้ก็คือมีสติอยู่ในลมหายใจใช่สาหรับคนที่เจริญอาณาปานสติใช่ นะคะสำคัญมากถูกไหมคะตรงเนี้ยถูกต้องต้องอันนี้สำคัญมากเพราะว่าดิฉันเข้าใจว่าถ้าถ้าขาดความเข้าใจจริงแล้วเรากำลังนั่งสมาธิอยู่และครูบาอาจารย์ก็ไม่สามารถจะถามได้ใช่ไหมคะมเราก็จะงงๆกันไปต่อไม่ได้อันนี้สำคัญมากเลยเทคนิค<า>คือขอให้รู้ว่าการการเจริญสตินั้น เพื่อที่จะให้เรารู้ตามความเป็นจริงใช่นะคะแล้วก็ให้รู้ว่าในความเป็นจริงทั้งหลายมีธรรมะเช่นนี้ถูกต้องคือแล้วจะเกิดผนอะไรเป็นทุกข์ค่ะควนที่จะเกิดคือความที่จะน่ายเบื่อน่ายในสิ่งนี้ค่ะเพราะเบื่อน่ายแล้วมันจะคลายกำลัดคลายกำลัดนี้คือปล่อยออกมันจะตรงก้ามกับนั่นที่คือความเพลินคือยึดถือไว้จับเอาไว้อุปทานเอาไว้ และนายมันจะปล่อยออกเมืนกับเรากำมือเนี่ยนะคลายออกหรือว่ากำเข้าคือความวิราคะคือความคลายกำหนับนี่พูดถึงตรงนี้เแต่พอคลายกำหนับแล้วก็จะวางได้ปล่อยวางได้มันก็จะพ้นพ้นวิมุตต์นี่ยคแปลว่าพ้นวิมุตต์นะคะนี่ก็ถ้าทําได้แบบนี้นี่ก็แปลว่าก้าวหน้ามากเลยเช่นกัก้าวหน้าในนักขนาดนั้นเพราะว่าองค์ประกอบต่างๆมันครบถ้วนนะ S <S แต่อย่าลืมว่าไอ้พวกนี้มันก็ไม่เที่ยงนะมันอาจะจะกลับกําเริบได้กลับกำเริบได้คือถ้าไม่กลับกําเริบอีกก็เช่นว่าถ้าเราสร้างเหตุไม่ไม่เพียงพอเช่นจะถือรออ่อนกําลังสมาธิารออ่อนกำลังมันก็จะกลับกําเริบอีกก็จะไปยึดถืออีกอะไรอีกเราก็ต้องทําให้มีความชํานาญ จ, จ, จนถึงจุดที่ว่ามันปล่อยวางหมดจดรากมันก็ไม่มีด้วยค่ะเพราะว่าคําว่ากิเลสกลับกําเริบเนี่ยเห็นว่าคํำนี้ยน่าสนใจมาก เมื่อเมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้านี้ไม่แน่ใจนะคะดีนี้ก็ไปค้นในอินเทอร์เน็ตเพื่ อ, อที่จะหาธรรมะที่คนเขาทำาไว้สำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วก็ไปเจอกะตูนะคะท่านคะเขาบอกว่ากิเลสนอนก้นเคยได้ยินไหมคะเป็นยังไงนะบอกว่าเมื่อการปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำให้เจริญเข้าไปถึงข้างในจิตใจพูดถึงกรณีกลับกรรมเริบเนี่ย อาจจะเป็นเพราะทําเข้าไปถึงที่สุดแล้วก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ไม่ได้มีความสามารถพอยังไม่มีความชํานาญพออย่างนั้นหรือเปล่าคือ ถ, ถ้าพูดถึงหลักการของการกลับกําเริบก็คือเปรียบเทียบกับต้นไม้ที่เราตัดมันหมดแล้วจนถึงโคนแล้วแต่ว่ารากมันยังมีอยู่แต่พอผ่านไปฝนหนึงเดี๋ยวมันก็โตขึ้นใหม่ได้อันนี้คือรากของเจ้ากิเลสตัณหาที่มันจะกลับกําเริบขึ้นเนี่ยคืออวิชชาถ้าวิชชา ย, ยังไม่ออกไปหมดเนี่ยมันก็จะกลับกําเริบได้ ก็ะจะกลับควาเริบได้แล้วก็ทั้งหมดนี้ถ้าทำได้ถึงแม้ว่าทำได้ในระดับที่เบื้องต้นยังไม่ได้ประคับประคองทำซ้ำทาซ้าทำบ่อยๆให้อยู่ตัวอย่างนี้ น, นะคะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ได้ผลจะได้ผลคือผลของธรรมะที่จะเกิดขึ้นนะคุณยมติมันจะได้ตาม กำลังที่เราปฏิบัติเลยคือได้เดี๋ยวนั้นอย่าง <Okay. S 1> เช่นว่าถ้าเราปล่วางได้แค่นี้คือเราจะมีกําลังจิตแค่นี้ฉันทำได้แค่นี้ใช่ไหมชีวิตเราก็จะมีความสุขในระดับนั้นเอาง่ <Okay. S 1> ายๆแค่เรื่องของศีลเช่นว่าเราไม่ลักทรัพย์เราไม่ประพฤติผิดในการมอย่างเงี้ยเราก็จะมีความสุขในระดับที่ศีลมันจะให้ได้ <Okay. S 1> เ, เราทําดีขึ้นมาเป็นสมาธิจิตมีการวางเจ้านิ้วอนได้เราก็จะมีความสุขได้ผลในระดับที่สมาธิจะให้ได้ถ้าเป็นปัญญาขึ้นไปอกคุณปล่อยวางตัวนั้นตรงนี้ได้ มันก็จะได้ผลมากขึ้นมากขึ้นจนสุดยอดนั้นเลยน่ะก็จ ะ, ะได้ผลชนิดที่ไม่กลับกับเริ่มอีกค่ะยิง่งถ้าเราอยู่ในโลกที่วุ่นวายเนี่ยนี่คิดว่าเราก็หาโลกอีกสักโลกหนึ่งนะคะที่วุ่นวายน้อยก็ <S <s> <S <c oughs> น่าจะดี <ừ> คือโลกปฏิเสธไม่ได้นะคะเลยเข้าใจว่าถ้าเราไม่ได้ตัดจิตตัดใจที่จะออกไปจากชีวิตในทางโลกเลยเนี่ยเหมือนกับก็จะจําเป็นอืมตรงตัวนี้พระพุทธเจ้าใช้สับอยสองคำ ถ้าจะบายตรงนี้ให้ชัดเจนนี่คือคือคําว่าโลกียะโลกียะนี่ก็คือยังอยู่ในโลกโลกอยู่เช่นสุขบ้างทุกบ้างชื่อเสียงคนด่าคนว่าอันนี้มันมีอยู่ในโลกแล้วคําถัดมาก็คือโลกุตระก็หมายถึงเหนือโลกขึ้นไปแต่คาว่าเหนือโลกนี่ไม่ใช่ว่าคุณไปอยู่ป่าคุณไปหลุดโลกคุณแบบพูดไม่รู้เรื่องไม่ใช่ไงนนะแต่อยู่ในโลกนี้แหละโลกแบนี้แหละแต่ว่าเหนือจากการควบคุมของโลกเหนือจากการที่แบบสมมติมีชื่อเสียง จิตใจฉันเหนือแล้วอ่ะฉันไม่แบบว่าลอยขึ้นหรือถูกด่าจิตใจฉันเหนือโลกุตระแล้วไงฉันก็จะไม่แบบวันไว้ไปตามที่เขาด่าเขาว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงจิตใจมันก็สบายอยู่นี่คือว่าจิตใจที่ว่าโลกุตระคือเนเหนือขึ้นมาจากการควบคุมของโลกตรงนี้ค่ะคือแค่เหนือโลกียขึ้นมาได้นิดเดียวนะคะที่ฉันเขาว่าได้กําไรแล้วอะใช่ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่าถ้าเราไปฝันสูงเกินไปแล้วไม่ค่อยเป็นค่อยไป ก็จะทาให้ได้ผลในการปฏิบัติไม่เต็มที่ด้วยเกิดความยากมากเกินไปแต่ให้รู้ว่ามีอย่างนี้แล้วเป็นไปได้ท่านคะทีนี้ท่านพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทางโลกนะคะว่าโลกมันวุ่นวายแมมที่ผ่านมานี่เดนคิดว่าจากวันนั้นถึงวันนี้คือเราบันทึกเทปล่วงหน้ากันสองสาวันเนี่ยนะคะจากเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ก็ไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกแต่ต้องยอมรับว่า คนไทยเสียอืมไม่มีใครอยากอยู่ในสถานการณ์ที่เอหวาดระแวงจะเกิดอะไรที่นั่นที่นี่หรือเปล่าดิฉันก็เห็นปฏิกิริยาจากการเกิดเหตุการณ์เนี้ยในหลายรูปแบบนะคะอือย่างแรกก็จะรู้สึกสลดใจสงสารผู้ที่รับความสูญเสียและครอบครัวอ่าต่อมาเรื่อยๆก็คือจะรู้สึกประ น, นามอืม ใครก็แล้วแต่บางคนนี่แช่งเลยนะคะอขอให้ได้รับกรรมนะหนักตกนรกเอาเวจีอย่างว่านี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันไปใหญ่เลย <c oughs> เอ่าน่าจะเป็นอย่างงั้นหน้าจะเป็นอย่างนี้มีหลายทฤษฎีมากอืในทางธรรมะนี่มองเหตุการณ์อย่างนี้ควรจะได้ประโยชน์อะไรอย่างไรนนกันคะก็ในแบบแรกก็ต้องตั้งสติขึ้นก่อนเพราะว่าถ้าเราตกใจเนี่ยมันจะทําอะไรไม่ถูกแต่คนที่ตกใจเนี่ยคือจิตจะไม่มีกําลังพอจิตไม่มีกําลังแล้วมันก็จะด่าว่าบ้าง จะตัดสินใจผิดพลาดบ้างจะแทนที่จะเดินไปหาสิ่งที่ถูกต้องก็ทําผิดพลาดไปเพะฉะนั้นอันดับแรกคือต้องตั้งสติกันให้ได้ซะก่อนแต่ตั้งสติให้ได้นี่ก็คือว่าเอารวบรวมสติสามัญชนย่ามาเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นดูไปตามเนื้อผ้าอะไรที่จะต้องแก้ไขเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูล ก, ก, ก, กันก็ช่วยกันไปแต่ทีนี้อไอ้การเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูล ก, กันก็ไม่ให้เป็นลักษณะที่ว่ารับไม่ห้คลำครุนตุบกชกตัวอันนี้คือลักษณะของจิตแตกแล้วไม่ไปถึงกระนั้นแล้วก็ไม่ใช่ถึงดว่า ดากล้าไปหมดเกลียดชังแล้วก็มีความโกโรธความคับแค้นใจความกระฟัดกระฟีแสดงความโกโรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏก็ไม่ถึงขนาดนั้นสองขั้วนี้คือจิตแตกแล้วแต่ว่าเรารักษาแม่้จิตของเราไปถึง2องสอั้วตรงนั้นโดยการพยายามที่เอาช่วยเหลือกันเอาวิเคราะห์สถานการณ์ก็วิเคราะห์ไปแต่ว่าอย่าให้เป็นความโกโรธความขัดเคืองแล้วทายัางไงก็แก้ไปตามสถานการณ์ถ้าคนต้องการน้ําต้องการอาหารอะไรก็ส่งไปให้ แล้วก็คนที่มีโดยเฉพางยิงเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ทำงานอยู่ในด้านการข่าวก็ตามเรื่องของการปฏิบัติงานทางด้านตรงจุดหนะ้าที่เกิดเหตุก็ตามเนี่ยก็ให้มีความกําลังใจให้ดีแต่ความกําลังใจก็เกิดจากสตินั่นเองเราตั้งสติไว้เราก็ดูดูเนะีเราก็ให้เป็นผู้ที่ผู้จะให้มันมีสัมมาวาจาเพนะราะว่า น, นี้เป็นองค์ของมัคไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสุขหรือทุกข์อย่างไรเราก็ต้องทํามัคให้มันดี ศีลจะมาที่ปัญญารักษาไว้อย่าผิดตรงนี้นะคะต้องเอาธรรมะของพุทธเจ้าไปใช้ก็และกันในช่วงนี้สําหรับคนที่พยายามที่จะให้ลอยอยู่เนื้อเหนื อ, นอโลพิยะให้ได้อย่างเนี้นะคะก็พยายามกันจะว่าไปสติกับความไม่ประมาทเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกั น, น, กนถูกต้องนะคะค่ะก็ก่อนจะกราบนมันส ก, การขอบพระคุณท่านยังขออนุญาตอีกครั้งอีกวันหนึ่งนะคะในการที่จะเชิญชวนท่านทัน้งหลายที่ ได้เห็นความสําคัญของการที่มีพระโบสถในการที่จะประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาดิฉันได้ไปพบมากับตัวที่วัดป่าดอนหายโศนะคะว่าพระุโบสถนั้นก็ยังเหลืออยู่ในส่วนของหินแกรนิตที่จะทําให้โบต์นี้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ใช้งานได้หลังจากที่ได้สร้างมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็อยากจะบอกไปยังผู้ที่สนใจจะทําบุญนะคะว่า ท่านสามารถที่จะบริจาคตรงไปได้เลยที่วัดป่าดอนหายโศกเข้าบัญชีชื่อวัดป่าดอนหายโศกนะคะเลขบัญชี4013286955 5. อีกครั้งนะคะเลขบัญชีวัดป่าดอนหายโศกธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานี เลขที่401ขีด3 2 8 6 9 5 5นะคะถ้าฟังไม่ถนัดก็เปิดไปที่เว็บไซต์ w p d h s org ก็ได้ที่นั่นจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวาดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติและอื่นๆนะคะรวมทั้งชื่อบัญชีนี้ด้วยค่ะ ท่านพิบูลค่ะวันนี้เราก็คงต้องล่ามลาไปแต่เพลงเท่านี้กับท่านผ<ป>ู้ฟังนะคะกราบน้องส ก, การ์ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งคะ<ป>่ะค่ะท่านผู้ฟังที่พบค่ะในชั้นสันสนินาคพงนะคะแล้วก็รายการสันสนีสนทนาค่ะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว fm ฟเอ็มร้อยหกในเรื่องของการที่จ ะ, อะบอกให้ท่านทําบุญในปกติดีฉันก็จะไม่ค่อยอยากจะมาทำในรายการนี้เท่าไหร่แต่บังเอิญไปเห็นแล้วคิดว่าถ้าเราช่วยร่วมแรงร่วมใจกันก็จะทําให้ ได้สำเร็จเร็วขึ้นเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยเดินขึ้นไปได้ยินช่างเขาถามหาพอดีแล้วนะคะว่าหินมาหรือยังแล้วก็ได้ทราบข้อขัดข้องที่ว่าถ้ามีปัจจัยในตอนนี้เนี่ยอีกสักประมาณ ,00 แสนบาทก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็คิดว่าอยู่ไม่ไกลถ้ารวบรวมกันได้จริงๆนะคะอันโมทนาร่วงหน้าติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่นะคะในสตาร์หน้าสาหรับสัต์นี้ผูทั่วสวัสดีคะ่ะ